ลิสาณิสูตรว่าด้วยภิกษุชื่อโคลิสานิคุณธรรมของภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครึสมัยนั้นภิกษุชื่อโคลิสานิเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดมีมารยาจาม นั่งอยู่ในถ้ากลางสง์ด้วยกรณียกิจบางอย่างณที่นั้นท่านพระสารีบุตรปรารบภิกษุชื่อโคลิสานิจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสง์อยู่ในสงควรเป็นผู้มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัด เมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เป็นผู้ไม่เคารพยำเกรงในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายแล้วจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือคารอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือคารอยู่ป่าเป็นวัด เมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรเป็นผู้มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนพรมมารีทั้งหลายภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรเข้าใจลำดับแห่งอาสนะว่าเราจะไม่นั่งเบียดภิกษุผู้เป็นเทระและจกไม่การอาสนะภิษุผู้เป็นนวิกะถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ ไม่เข้าใจลำดับแห่งอาสนะจะมีผู้ติเตียนภิกษุรูปนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสําหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่เข้าใจลำดับแห่งอาสนะจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรเข้าใจลำดับแห่งอาสนะภิกษุ ผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรรู้อภิสมาจาริยธรรมถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่รู้อภิสมาจาริกธรรมจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่รู้อภิสมาจาริยธรรม จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรรู้อภิสมาจาริกธรรมภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่ควรเข้าบ้านเช้านักไม่ควรกลับมาสายนักถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เข้าบ้านเช้านักกลับมาสายนัก จะมีผ hmm. ู <800 S 1> <ulator. S 2> ้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสําหรับท่านผู้ถือคารอยู่ป่าเป็นวัดนี้ที่เข้าบ้านเช้านักกลับมาสายนักจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือคารอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่ควรเข้าบ้านเช้านักไม่ควรกลับมาสายนักภิกษุผู้ถือคารอยู่ป่าเป็นวัด เมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่ควรเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายในเวลาก่อนฉันพัตตาหารในเวลาหลังฉันพัตตาหารถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายในเวลาก่อนฉันพัตตาหารในเวลาหลังฉันพัตตาหารจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดผู้สมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวนี้ ได้ทําการเที่ยวไปในเวลาวิกาลไว้มากแน่อันหนึ่งเพื่อนพระมจารีก็จะกล่าวทักท้วงเธอผู้ไปในสง์ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสง์อยู่ในสง์จึงไม่ควรเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายในเวลาก่อนฉันปตาหาลในเวลาหลังฉันปตาหาล ภิกษุผู้ถือคารอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่ควรเป็นผู้ขนองกายขนองวาจาถ้าภิกษุผู้ถือคารอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เป็นผู้ขนองกายขนองวาจาจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าท่านผู้ถือคารอยู่ป่าเป็นวัดผู้สมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวนี้ได้ทาการขนองกายขนองวาจาไวามากแน่อันหนึ่ง เพื่อนโภมจารีก็จะกล่าวทักท่วงเธอผู้ไปกับสงได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงอยู่ในสงจึงไม่ควรขนองกายขนองวาจาภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงอยู่ในสงไม่ควรเป็นผู้มีป่ากล้าไม่ควรเป็นผู้มีวาจาจัดจ้าน ถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เป็นผู้มีป่ากล้าเป็นผู้มีวาจาจัดจ้านจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้มีป่ากกล้าเป็นผู้มีวาจาจัดจ้านจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัด เมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์จึงไม่ควรเป็นผู้มีปากกล้าเป็นผู้มีวาจาจัดจ้านพิกษุผู้ถือคารอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรเป็นผู้ว่าง่ายเป็นกลยานมิตรถ้าพิกษุผู้ถือคารอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เป็นผู้ว่ายากเป็นบาปมิตรจะมีผู้ติเตียนพิกษุนั้นได้ว่า จะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้ว่ายากเป็นบาปมิตรจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์จึงควรเป็นผู้ว่าง่ายเป็นกัลยาณมิตรภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลาย ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคอาหารจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสําหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคอาหารจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้น ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้รู้ประมาณในการบริ โ, โภคอาหารภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องเตือนอย่างต่อเนื่องถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัด ไม่เป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือคารอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่ประกอบความเพียรเครื่องตือนอย่างต่อเนื่องจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือคารอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตือนอย่างต่อเนื่อง ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้ปรารบความเพียรถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เกียดคร้านจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้เกียดคร้านจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัด จึงควรเป็นผู้ปรารบความเพียรภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้มีสติตั้งมั่นถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการออยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้น ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้มีสติตั้งมั่นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสําหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้มีปัญญาถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้มีปัญญาซามจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสาหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้ แต่เป็นผู้มีปัญญาสามจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้มีปัญญาภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรทำความเพียรในอภิธรรม และในอภิวินัยเพราะเมื่อมีผู้ถามปัญหาในอภิธรรมและในอภิวินัยกับภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถูกถามปัญหาในอภิธรรมและในอภิวินัยแล้วตอบไม่ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้ แต่ถูกถามปัญหาในอภิธรรมและในอภิวินัยแล้วตอบไม่ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรทำความเพียรในอภิธรรมและในอภิวินัยภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรทำความเพียรในสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานเพราะเมื่อมีคนถามปัญหาในสันตวิโมก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 แต่ถูกถามปัญหาในสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปประชานแล้วตอบไม่ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรทำความเพียรในสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปประชานท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรทาความเพียรในอุตริมนุสธรรม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 จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรทาความเพียรในอุตริมนุสธรรมเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมคลานะได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรทำเหล่านี้ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเท่านั้นหรือที่ควรสมาทานประพฤตหรือทำเหล่านี้ แม้ภิกษุผู้อยู่ในอารามใกล้บ้านก็ควรสมาทานประพฤติด้วยท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคลานะทำเหล่านี้ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรสมาทานประพฤติไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงภิกษุผู้อยู่ในอารามใกล้บ้านเลยดังนี้แลโคลิสานิสูตรที่9จบ กีตาคิริสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในกีตาคิรินิคมคุณของการฉันอาหารน้อยข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นกาสีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเร่องภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ฉันโภชนะในราตรีเลย เราเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาสน้อยกระปรี้กระเปะ่ปามีพลานาไมยสมบูรณ์อยู่สําราญมาเถิดภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายโคจงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยเธอทั้งหลายเมืาา่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาสน้อยกระปรี้กระเปะ่ามีพลานาไมยสมบูรณ์อยู่สําราญ ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจากนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้งกาศีโดยลำดับจนถึงนิคมของชาวกาศีชื่อกีตาคีรีได้ยินว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, ะนิคมของชาวกาศีชื่อกีตาคีรี และพระปุณณพสุกะชั้นอาหารในเวลาวิกาลสมัยนั้นภิกษุชื่ออาสัชิและภิกษุชื่อปุณณพสุกะเป็นผู้อยู่ประจำในนิคมชื่อกีตาคีรีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากก็ไปหาภิกษุชื่ออาสัชิและภิกษุชื่อปุณณพสุกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ฉันโภชนะในราตรีพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาดน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพละนมามัยสมบูรณ์อยู่สําราญมาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้ท่านทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยท่านทั้งหลายเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรี ก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรค า, าพาดน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สาราญเมื่อพิกษจทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุชื่ออสชิและภิกษุชื่อบูญภสุกะได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายชั้นโภชนะทั้งเวลายเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันเราทั้งหลายนั้นเมื่อฉั้นโภชนะทั้งเวลายเย็นเวลาเช้า และเวลาวิการกลางวันก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคพาพาดน้อยกระปรีก้กระเป่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สําราญเราทั้งหลายนั้นจากละคุณที่ตนเห็นเองแล้วไล่าตามผลที่เป็นอนาคตการทําไมเราทั้งหลายจากฉันทั้งเวลายเย็นเวลาเช้าและเวลาวิการกลางวันเพราะเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถจะให้ภิกษุชื่ออาสัชชี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 ก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรค า, าพลาดน้อยกระปรีก้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สําราญเมื่อข่าพระองค์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุชื่ออัสชิและภิกษุชื่อปุณภสุกะได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันเมื่อเราทั้งหลายฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้า และเวลาวิการกลางวันก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาดน้อยกระปรีก้กระเป่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเราทั้งหลายนั้นจากละคุณที่ตนเห็นเองแล้วไล่ตามผลที่เป็นอนาคตการทำไมเราทั้งหลายจากฉันทั้งเวลาเย็ น, เ ว, เ, นเวลาเช้าและเวลาวิการกลางวันเพราะเหตุที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สามารถจะให้ภิกษุชื่ออาสชิ และภิกษุชื่อปุณณภสสกะยินยอมได้จึงมากราบทูลเนื้อความนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุ เธอจงไปเรียกภิกษุชื่ออาสชิและภิกษุชื่อปุณณพสุกะตามคำของเราว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วเข้าไปหาภิกษุชื่ออาสชิและภิกษุชื่อปุณณพสุกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุชื่ออาสชิและภิกษุชื่อปุณณพสุกะรับคำของภิกษุนั้นแล้ว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 มีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สาราญได้ยินว่าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเธอทั้งสองได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันเราทั้งหลายเมื่อฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้เาชและเวลาวิกาลกลางวันก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาดน้อย กระปรือกระเปล่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สําราญเราทั้งหลายนั้นจากละคุณที่ตนเห็นเองแล้วไล่าตามผลที่เป็นอนาคตการทําไมเราทั้งหลายจากฉันทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิการกลางวันจริงหรือภิกษุชื่ออัสชิและภิกษุชื่อปุณภสุกะกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะ อุสนธรรมและอกุสนธรรมกับเวทนาสาพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ว่าบุคคลนี้สวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาอุเบกขาอากุสนธรรมของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมอคุสนธรรมย่อมเจริญใช่ไหม ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่ อ, อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่ อ, อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญ เมื่อบุคคลบาง iron, คนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอธทุกขมาสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อม แต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยอทุคคามสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อาุสนรธรรมย่อมเสื่อมกุสนรธรรมย่อมเจริญใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะดีและภิกษุทั้งหลายข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่ กุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่าเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ สวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทําไม่แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญ เราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทําให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่ กุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบ ไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกเวทนาเห็นปานนี้อยู่อากุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละทุกเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้เป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะ เพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทําให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสือ่อมฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละทุกขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทาให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่า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 สัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยทุกขเวทนาเห็นปานี้อยู่อากูสุลธรรมย่อมเสื่อมกูสุลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงทุกขเวทนาเห็นปานี้อยู่เธอ สุทั้งหลายข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุคคำสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละอทุคคำสุขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้เป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ ไม่พระพุทธเจ้าข้าเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยรค์อทุคคมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญอกุศลธรรมย่อมเสื่อมฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละอทุคคสุขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้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 ไม่พระพุทธเจ้าค่าภิษุทั้งหลายเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุคคมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงอทุคคมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิด ทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดจะต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาททั้งไม่ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทภิกษุเราใดเป็นอรหันตขีนาศอยู่จุโรมจรันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วโปรงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นภวะสองโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วพราะรู้โดยชอบ เราย่อมกล่าวว่าภิกษุเห็นปานนั้นไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นด้วยทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วและภิกษุเหล่านั้นจะเป็นผู้ไม่ประมาทต่อไปภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นเซฆะยังไม่สำเร็จเป็นอรหันต์ยังปรารถนาธรรมที่เป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ เรากล่าวว่าภิกษุเห็นปานนั้นต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุเหล่านี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านเหล่านี้เมื่อใช้ส้อยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยานามิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์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 บุคคลเจ็ดจำพวกภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือ 1. ท่านผู้เป็นอุปตโตภาคาวิมุตสอท่านผู้เป็นปัญญาวิมุตสาท่านผู้เป็นกายสักขี 4. ท่านผู้เป็นทิฏฐิป ต, ตะ 5. ท่านผู้เป็นสัทธาวิมุต 6. ท่านผู้เป็นธรร ม, มานุสารี 7. ท่านผู้เป็นสัตธานุสารีท่านผู้เป็นอุปโตภาคาวิมุตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูป เพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นอุปโตภาคาวิมุตเรากล่าวว่าภิกษุนี้ไม่ต้องทากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นได้ทากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วและภิกษุนั้นจะเป็นผู้ไม่ประมาทต่อไป ผู้เป็นปัญญาวิมุตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตวิโมขซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปประชานได้ด้วยกายอยู่และอาชวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตเรากล่าวว่าภิกษุแม้นี้ไม่ต้องทํากิจที่ควรทาด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นได้ทำขีดที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วและภิกษุนั้นจะเป็นผู้ไม่ประมาทต่อไปท่านผู้เป็นกายศักิ์ขีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สัมผัสสันตะวิโมคซึ่งไม่มีรูป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 ่นผู้เป็นทิฏฐิปัตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปประชานได้ด้วยกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งทมทั้งหลายที่ตถาคตรประกาศแล้วเป็นธรรมที่ผู้นั้นเห็นแจ้งด้วยปัญญาประพฤติดีแล้วบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นทิฏฐิปะตะ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 คือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตาวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปประชานได้ด้วยกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งความเชื่อในตถาคตของผู้นั้นตั้งมั่นแล้วมีรากอย่างหลงมั่นคงแล้วบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นศัทธาวิมุตต์เรากล่าวว่าภิกษุแม้นี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาท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 ซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกายอยู่แต่อาสะวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งทมทั้งหลายที่สถาคตประกาศแล้วควรเพื่อพินิจโดยประมาณด้วยปัญญาของผู้นั้นอีกประการหนึ่งทมเหล่านี้คือสตินีอินีคือสตาวิริยินีอินีคือวิริยะสตินีอินีคือสติ สมาธิสี่อินสี่คือสมาธิปัญญสี่อินสี่คือปัญญาย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นธรรมานุสารีเรากล่าวว่าภิกษุแม้นี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทขพอนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่า